จเจรินพรท่านผู้มีเจตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกทุ ก, ท, กท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2552เป็นวันที่ท่าน ม, ม, าามีเวลาว่าจากภารกิจการงานจึงได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาเสริมสวยความสวยความงามให้แก่ชีวิตจิตใจของตนเพราะวัดนี้เป็นที่เสริมสวยความสวยความงามของชีวิตจิตใจของเราซึ่งเป็นความสวยงามที่แท้จริงคนเรานั้นมีความสวยงามอยู่สองส่วนด้วยกันคือสวยด้วยรูปคือร่างกาย และสวยด้วยใจคือน้ำใจความสวยทั้งสองประการนี้ความสวยที่แท้จริงนั้นต้องสวยที่ใจเพราะความสวยที่ใจนี้ชนะความสวยที่ร่างกายร่างกายสวยถ้าถ้าใจไม่สวยก็ไม่มีใครอยากจะคบค้าสนานคมด้วยร่างกายไม่สวย แต่ใจสวยก็มีคนชอบคนรักคนอยากคบ ค, บคบ้าสมาคมด้วยนังนั้ น, นเราควรที่ให้ความสนใจการเสริมสวยทางด้านจิตใจมากกว่าความเสริมสวยของทางร่างกายเพราะความเสริมความสวยของร่างกายนี้เป็นของที่มิไดไม่จีรังถาวรสวยได้เพียงเชื่อระยะหนึ่ง หลังจากนั้นแล้วก็ไม่สวยเพราะร่างกายย่อมต้องแก่ไปเป็นธรรมดาเวลาเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ดูสวยงามดีแต่พอเราแก่ลงไปก็จะความสวยงามก็จะค่อยๆหมดไปแต่ความสวยงามทางใจนี้ไม่ได้เสื่อมหมดไปตามการตามเวลากับจะ สวยเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเช่นพระพุทธเจ้าของเราที่เป็นที่เคารพ ก, กราบไหว้บิชารักใคร่ก็เพราะว่าพระ อ, องค์ทรงสวยด้วยน้ำใจสวยที่ใจร่างกายของท่านแม้จะดับสลายไปแล้วเป็นเวลาถึง 2,500 กว่าปีแต่ความสวยงามทางด้านจิตใจของท่าน ยังส่องแสงสว่างให้แก่พวกเราได้สัมผัสได้รับรู้ได้ชื่นชมยินดีจนถึงทุกวันนี้เราจึงควรมาเสริมสวยความสวยงามทางด้านจิตใจกันความสวยงามของหน้านจิตใจก็สึกก็ให้สวยด้วยทานคือการให้หรือจาคะคือการเสียสละ เสริมด้วยศีลคือความความไม่เบียดเบียนผู้ความความเรียบร้อยให้เสริมด้วยขันติความอดทนอดกลั้นให้เสริมด้วยธรรมะความอดอดกลั้นขันติแปลว่าความอดทนธรรมะแปลว่าความอดกลั้น บุคคลใดถ้ามีคุณธรรมทั้งสี่ประการนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดกับใครจะเป็นที่รักชื่นชมยินดีไม่รู้ไม่มีวันไม่มีวันเสื่อมคลาย <c oughs> ต่างกับความสวยงามทางร่างกายที่ต้องคอยเสริมอยู่เรื่อยๆวันใดไม่ได้เสริมแล้ววันนั้นก็ดูไม่สวย แต่ความสวยงามทางจิตใจด้วยการเสียสละด้วยการมีศีลมีสัตว์ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตด้วยความอดทนด้วยความอดกลั้นอยู่ที่ไหนกับใครก็จะเป็นที่รักคนที่ไม่มีคุณธรรมทั้งสี่ต่อให้สวยงามขนาดไหนก็ตามอยู่ที่ไหนกับใครก็ไม่มีใครอยากจะอยู่ด้วย คนที่ไม่มีความเสียสละก็เป็นคนที่เห็นแก่ตัวนั่นเองทำอะไรก็จะคิดแต่ประโยชน์ของตนโดยท่ายเดียวไม่คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นต่างกับคนที่เสียสละทำอะไรก็จะคิดถึงประโยชน์สุขของผู้อื่นก่อนก่อนของตนยินดีที่จะสละประโยชน์สุขของตนให้แก่ผู้อื่น เช่นพ่อแม่ของเรานี้เป็นตัวอย่างกับลูกๆแล้วท่านยินดีที่เสียสละประโยชน์สุขให้แก่ลูกก่อนถ้ามีข้าวไม่พอกินก็ให้ลูกกินก่อนพ่อแม่ค่อยกินทีหลังพ่อแม่จึงเป็นที่รับข้าวของลูกๆพ่อความเสียสละของพ่อแม่พ่อความซื่อสัตย์สุจริตของพ่อแม่พ่อแม่ไม่เคย เอารัดเอาเปรียชบช่อโกงลูกพ่อแม่ไม่เคยคิดที่จะฆ่าลูกไม่คิดที่จะเอาของของลูกมามีคิดแต่อยากจะให้อย่างเดียวนี่คือความสวยงามของคนเราต้องสวยด้วยการเสียสละจากคะแปลว่าการเสียสละเรามีอะไรที่เราพอที่จะสละได้ เราสละให้ผู้อื่นผู้อื่นเขาจะมีความสุขแล้วเขาจะมีความซาบซึ้งในการในความเสียสละของเราเ <c oughs> ช่นเรากําลังต้องการจะเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดพอดีมีผู้อื่นเขาอยากจะได้เราก็สละให้เขาไปก่อนเช่นที่เราสมมติเราทํางานเราอยากจะได้ตําแหน่ง ใดตำแหน่งหนึ่งพอดีมีคนอื่นเขาอยากจะได้ก็เสียสละให้เขาไปเราไม่ต้องเอาก็ได้แล้วเราจะได้สิ่งที่ดีกว่าตำแหน่งนั้นคือจาคะนี้เป็นธรรมที่จะทำให้เรามีความสุขใจจะทำให้เรามีความภูมิใจในตัวของเราเองว่าเราเป็นคนดีเป็นคนที่เสียสละ เป็นคนที่ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นเป็นคนไม่เห็นแก่ตัวได้อย่างนี้มาดีกว่าได้ตําแหน่งมาด้วยการแข่งแย่งชิงดีด้วยการสร้างความเจ็บช้า น, น้ำใจให้แก่ผู้อื่นเราจะกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวเป็นคนที่ไม่น่ารักไม่น่าชื่นชมยินดีนี่คือตัวอย่างของจาระ คือการเสียสละขอให้เราหัดเสียสละกันเถิดแล้วเราจะได้สิ่งที่ดีงามคือได้ความสวยงามอยู่ที่ไหนกับใครจะไม่มีใครรังเกียจมีแต่อยากจะให้อยู่กับเขาไปนานๆเวลาจากเขาไปเขาก็จะบนว่าอยากพึ่งไปส่วนคนที่มีความเห็นแก่ตัวนี้ เวลาไปเขาก็จะบอกว่ า, า, ารีบไปเถิด เ, เพราะว่าคนเห็นแก่ตัวคนที่ไม่มีการเสียสละนี้จะไม่เป็นที่ชื่นชมยินดีไม่เป็นที่เคารพหน้าเคารพนับถื อ, อต่อให้สวยงามขนาดไหนก็ตามมีรูปร่างหน้าตาสวยงามเป็นดาราภาพยนตร์เป็นนางงาม เอออะไรก็ตามจะไม่สามารถชนะใจผู้อื่นได้ถ้าใจมีแต่ความเห็นแก่ตัวมีแต่ความทุจริตไม่ซื่อสัตย์สุจริตชอบโกหกหลอกลวงชอบเอาของผู้อื่นมาโดยที่เขาไม่อนุญาตชอบประพฤติผิดประเวณีอย่างนี้เป็นต้นเป็นบุคคลที่ไม่มีใครเขาอยากจะอยู่ใกล้ เพราะเป็นอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของเขานั่นเองไม่รู้ว่าเผลอเมื่อไหร่เขาจะเอาอะไรของเราไปเข้าของเงินทองที่เรามีอยู่ในบ้านเราต้องคอยเก็บถ้ามีเขาอยู่ถ้าไม่เก็บไว้ในตู้มิดชิดใส่กุญแจเดี๋ยวพอเราเผลอเขาก็จีเขาก็จะหยิบไปทันที เพระนี่เป็นนิสัยของคนที่ไม่มีศีลของคนที่ไม่มีจาคะคือการเสียสละนั่นเองส่วนขันตินี้ก็เป็นคุณธรรมที่สําคัญที่จะรักษาความดีงามของเราไว้เพราะาบางเวลาเราอาจจะชีวิตของเราอาจจะตกทุกข์ได้ยากลําบากลําบนขาดแคลนสิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าเราไม่มีขันติ เราก็อาจจะไม่รักษาความซื่อสัตย์สุจริตของเราได้เช่นขาดเงินขาดทองเราก็อาจนึขาดข้าวขาดของขาดอาหารอย่างนี้ถ้าหิวมากๆถ้าไม่มีขันติความอดทนเดี๋ยวเราก็จะต้องไปรักขโมย ข, ของของผู้อื่นเพื่อมารับประทานเพื่อเอามาใช้แต่ถ้าเรามีขันติความอดทนแล้วเราจะไม่ทา เราจะรักษาคุณงามความดีไว ย, ยิ่งกว่าชีวิตของเราคนที่มีจาคะะมีขันติมีศีลจะเป็นอย่างนี้จะเป็นต่างที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้สละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะให้สละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตให้สละชีวิตเพื่อรักษาคุณงามความดี พะคุณงามความดีนี้จะเป็นปัจจัยที่หล่อเลี้ยงจิตใจให้มีความสุขท่ามกลางความทุกข์ยากลำบากคนที่มีคุณธรรมเหล่านี้อยู่แล้วถึงแม้จะอดข้าวอดอะไรเป็นเวลาหลายวันก็จะไม่รู้สึกทุกข์ร้อนแต่อย่างไรจะมีความรู้สึกสบายอกสบายใจไม่วุ่นวายใจ พอใจตั้งอยู่ในความสงบอย่างพระพุทธเจ้าเคยบำเพ็ญเพียรอดภกาญาหารถึง4ี่วันด้วยกันท่านทำไมถึงทำได้พวกเราเพียงแต่อดข้าวมื้อเย็นมื้อเดียวเราก็ยังจะตายกันแล้วเพราะเราไม่มีนติความอดทนนั่นเองเราไม่เคยฝึกแล้วถ้าเราไม่ระวังเราก็อาจจะไปทำ สิ่งที่ไม่ถูกต้องถ้าเราไม่มีอาหารรับประทานเราก็จะไปลักขมโมยอาหารมารับประทานก็จะทำให้เราเป็นคนเสียศีลไม่มีศีลไม่มีสัตว์ไปคนที่ไม่มีศีลไม่มีสัตว์เวลาตายไปต้องไปตกนรกต้องไปเกิดในอบายไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างหรือไปตกนรกแต่คนที่รักษาศีลไว้ได้ ยอมตายดีกว่าทำผิดศีลเวลาตายไปได้ไปสู่สุกติไม่ต้องไปในไม่ต้องไปเกิดในอบายไปเกิดเป็นเทพเป็นพรหมหรือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เพราะศีลคือความซื่อสัตย์สุดจริญนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะพาสัตว์โลกไปสู่สุกติไม่ใช่อย่างอื่นอย่างอื่นพาไปไม่ได้เงินทองกองเท่าภูเขาก็เอา ก็นำพาไปไม่ได้ต้องเกิดจากการรักษาศีลต่อให้ทาบุญต่อให้ให้ทาด้วยเงินทองเป็นเป็นล้านเป็นพันล้านถ้าไม่รักษาศีลก็ยังไปสู่สุคติไม่ได้จะไปสู่สุคติคือไปเป็นเทพเป็นพรหมเป็นพระอริยเจ้าหรือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่นี้ต้องมีศีลเป็นเป็นผู้นำไป ถ้าทำบุญให้ทานอย่างเดียวไม่รักษาศีลก็จะได้อานิสงส์จากการทำบุญให้ทานก็คือจะมีมีเงินทองมีสมบัติข้าวของต่างๆแต่ถ้าไปเกิดเป็นเดรัจฉานอย่างนี้ก็จะมีคนอื่นเลี้ยงดูให้ไปอยู่ไปเกิดไปอยู่กับเศรษฐีเพราะมีรูปร่างหน้าตาสวยงาม ใครเห็นใครก็อยากจะได้เอาไปเป็นสมบัติเขาก็จะซื้อเช่นเช่นพวกคนมีเงินมีทองเขาจะซื้อสุนัขสวยๆงดงามแล้วเอาไปเลี้ยงเหมือนกับเป็นเหมือนกับเป็นลูกนี่เป็นเพราะว่าสุนัขตัวนี้ในอดีตเคยได้ทำบุญให้ทานมาแต่ไม่ได้รักษาศีลจึงไม่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ ถ้าได้รักษาศีลและทาบุญให้ทางด้วยก็จะได้กลับมันเกิดเป็นมนุษย์ที่ร่ำรวยกว่เาเดิมมีรูปร่างหน้าตาสวยงามกว่เาเดิมถ้าไม่ได้ไปสวรรค์ทันทีถ้ายังเท่าได้ไปสวรรค์ก็จะไปสวรรค์ชั้นต่างๆก่อนเมื่อเมื่อหมดแล้วค่อยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่นี่คือเรื่องของของการรักษา ศีลเรื่องของการเสียสละเรื่องของขันติความอดทนขอให้เราพยายามทำกันไว้เพราะจะรักษาความสวยงามของเราจะรักษาภบชาติที่ดีของเราไว้และประการสุดท้ายคุณธรรมอันสุดท้ายที่เราต้องมีกันก็คือธรรมะคือความอดกลั้นเมื่อกี้เราพูดถึงความอดทนตอนนี้เราพูดถึงความอดกลั้น อดกั้นอะไรก็อดกั้นความโลภความโกรธของเรานั่นเองเวลาเราอยากได้อะไรที่ไม่จําเป็นก็อย่าไปเอามาันอดกั้นใจไว้เวลากโกรธใครก็ให้อดกั้นไว้อย่าระบายทางโกรธออกมาเพราะความโลภความโกรธนี่มันเป็นสิ่งที่จะทําให้เราต้องไปทําสิ่งที่เสียหายที่เราจะเสียใจในภายหลัง <c oughs> เวลาเราโลภมากๆถ้าเราไม่มี ปัญญาที่จะหามาได้ด้วยความสดจริตเราก็จะหามาด้วยความทุกจริตหาด้วยวิธีต่างๆด้วยเล่ด้วยกลด้วยวิธีอะไรก็ได้ขอให้เราได้มาเช่นอยากจะได้สามีหรือภรรยาของผู้อื่นก็ต้องหาวิธีบางทีก็ไปฆ่าคู่คอรองเขาก่อนไปฆ่าสามีภรรยาเขาก่อนเพื่อที่จะได้ สามีหรือภรรยาเขามาเป็นคู่ครองถ้าเรามีความอดกัน้นเราสอนตัวเราว่าความโลภนี้ไม่ดีได้มาเท่าไหร่ก็จะไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอได้มาแล้วเดี๋ยวก็อยากจะได้ใหม่และอยากจะได้มากกว่าเดิมดังสุภาษิตที่พูดไว้ว่าได้คือก็อยากจะได้เป็นสอบได้เป็นสอบก็อยากจะได้เป็นวา มันอยากจะได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆคนบคางคนจึงมีสามีมีภรรยาเป็นหลายๆคนว่าตอนต้นมีคนเดียวก็ไม่พออยากจะได้อีกคนพอได้อีกคนแล้วเดี๋ยวก็เห็นคนใหม่ก็อยากจะได้เพิ่มขึ้นไปเเพราะความโลภนี้มันไม่มันไม่ทำให้อิ่มให้พอนั่นเองแต่มันกลับจะทำให้หิวมากขึ้นได้เท่าไหร่แล้วแทนที่จะรู้สึกคาว่าพอกับไม่พอ กับอยากมากขึ้นไปเรื่อยๆเกีกับโลกมากขึ้นไปเรื่อยๆเราจึงต้องเห็นโทษของความโลภแล้วพยายามควบคุมความโลภด้วยธรรมะความอดกลั้นสอนตัวเราว่าได้มาแล้วมันไม่ดีกว่าเดิมได้มาแล้วเราจิตใจของเราจะต่ำลงไปถ้าเราได้มาด้วยความไม่ถูกต้องถ้าเราทำผิดศีลผิดธรรม ตายไปเราต้องไปใช้กรรมต่อในอบายสู้อดอดกั้นเอาไว้ดีกว่าเดี๋ยวเดียวเราเดียเด๋ยวความความอยากได้มันหายไปแล้วก็หมดมันก็หมดปัญหาไปเองนี่คือเรื่องของความโลภหรือให้ใช้เหตุผลก็ได้ว่าเวลาเราอยากได้อะไรถามตัวเราเองว่าสิ่งที่เราอยากได้นั้นถ้าเราไม่ได้มาแล้วเราจะตายหรือไม่ ถ้าไม่ตายก็อย่าเอามาดีกว่าเอามาแล้วจะเป็นภาระเป็นความทุกข์กับเราเปล่าๆได้อะไรมาแล้วก็จะต้องทุกข์กับสิ่งที่ได้มาทุกข์เพราะเราต้องห่วงต้องห่วงต้องกังวลต้องเสียใจเวลาที่เราเสียสิ่งที่เราได้มาไปตอนนี้เราไม่มีอะไรต้องมาห่วงมาห่วงมากังวลต้องมาเสียใจเราไปเอามาทําไมั ถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะตัดความโลภได้ส่วนความโกรธก็เช่นเดียวกันเวลาเกิดความโกรธขึ้นมาแล้วใจของเราจะร้อนเป็นไฟเหมือนไฟนระกเผาผลาญจิตใจของเราทำให้เราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีคิดอยากจะทำร้ายผู้อื่นคิดอยากจะด่าผู้อื่น<ต>เราจึงต้องระ ง, งับความโกรธให้ได้ ด้วยความอดกลั้นและก็ด้วยด้วยการเจริญบทเมตตาที่สงสอนว่าสัพเพสัตตาอเวราหุนตุสัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีเวรกันเถิดคือเราอย่าไปมีเวรมีกรรมกับคนที่เรากำลังโกรธเลยเขาทำอะไรให้เราโกรธก็คิดว่าเป็นการใช้นี่เก่าไปก็แล้วกันเราคงไปทำอะไรให้เขาโกรธ เขาจึงมาทำให้เราโกรธนะแต่เราจะไม่กลับไปทำให้เขาโกรธเองเพราะเราไม่อยากจะให้มันเป็นเวรเป็นกรรมมันไม่มีรู้จักจบจากสิ้นถ้าเราหยุดความโกรธของเราได้แล้วเราไม่จะไปพูดไปทำอะไรกับเขาเขาก็จะไม่มาทำอะไรกับเราเอีกแล้วก็ต่างฝ่ายก็ต่างจะแยกกันไปไม่มี กรรมไม่มีเวรต่อกันแต่ถ้าเราไปทําเขาเดี๋ยวเขาก็ต้องกลับมาทำเราอีกเพราะกลับมาทําเราเราก็กลับไปทําเขาอีกทําไปทํามาจากเล็กก็ไปหาหาหาใหญ่จากเริ่มเล็กก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เดี๋ยวในที่สุดก็ต้องฆ่ากันตายไปคนที่ตายไปก็ก็เสียชีวิตไปคนที่อยู่ก็ต้องติดคุกติดตารางเนื้อถูกประหานชีวิตต่อไป แล้วเมื่อตายไปเกิดกันพบหน้าชาติหน้าเจอกันที่ไหนเมื่อไหร่ก็จะโกรธกันอีกเหมือนเดิมไม่มีที่สิ้นสุดพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราเอโหสิกรรมให้อภัยกันอย่าไปจองเวรจองกรรมกันเวร น, นั้นไม่ระงับด้วยการจองเวรเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร น, นี่คือเรื่องของการระงับความโกรธ ให้คิดอย่างนี้หรือให้คิดว่าเป็นกรรมของเราก็แล้วกันเราเคยทำกรรมไม่ดีไว้ตอนนี้เรามาใช้กรรมของเรามารับกรรมของเราเพราะมีเจ้ากรรมในเวรต่างๆเขามาถืงหนี้เรานั่นเองเมื่อเขาได้หนี้คืนไปแล้วเขาได้ทำลายแล้วเขาได้ทำเราแล้วเขาก็จะไปจากเราแต่เราอย่าไปก่อนหนี้สร้างหนี้ใหม่ขึ้นมาแล้วความ ร่วมนอนภายในจิตใจของเราก็จะดับระนับไปเราก็ใจของเราก็จะเย็นเราก็จะรักษาความสวยงามของเราได้เราจะไม่เป็นเราจะไม่มีหน้ายักหน้ามาเราจะไม่พูดคำหยาบเราจะไม่กระทำสิ่งที่ไม่สวยงามต่อผู้อื่นผู้อื่นที่เคยชื่นชมยินดีรักเราเขาก็ยังจะชื่นชมยินดีรักเราต่อแต่ถ้าเราไม่รักษา ถ้าเราไม่สามารถระงับไม่สามารถระงับความโกรธแค้ น, นี้ได้เราก็ต้องไปพูดไม่ดีไปดา่าไปทำอะไรไม่ดีเสียหายความสวยงามของเราก็หมดไปจากเทพเราก็กลายเป็นมารไปนี่คือเรื่องที่เราจะต้องพยายามระงับคือความโลภความโกรธด้วยธรรมะความอดทนถ้าเรามีคุณธรรมทั้งสี่ประการแล้วเราจะ เป็นบุคคลที่สวยงามคนเหล่านี้มีความสวยงามสองประการอย่างที่ได้พูดไปแล้วสวยกายและสวยใจสวยสวยกายนี้สู้ความสวยใจไม่ได้อย่างที่บอกเวลาเราอยู่กับคนสวยงามแต่เขาไม่ซื่อสัตย์สุดจิตแล้วอยู่กับเขาได้ไม่นานก็ต้องทะเลาะกันเขาหลอกเราโกหกเขาเอาข้าวเอาของของเราไปอย่างนี้แล้วเราจะอยู่กันได้อย่างไร จะรักกันได้อย่างไรในทางตรงกันข้ามคนที่ไม่สวยงามแต่เขาสวยทางใจเขาไม่สวยทางกายเขาสวยทางใจอยู่กับเขาก็มีความสุขเสมอเพราะเขามีความเสียสละเขายินดีที่จะเสียสละสิ่งต่างๆให้กับเราเขาไม่เบียดเบียนเราเขาไม่เขาไม่เอาสิ่งของต่างๆของเราไปโดยไม่ได้รับอนุ ญ, ญาต เขาไม่โกหกหลอกลวงเราดันั้นความสวยงามของใจนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากเขาว่าคนเรานี้เปรียบเทียบก็เป็นเหมือนกับดอกไม้มีอยู่สี่ชนิดด้วยกันคนเรานี้มีความสวยงามมีสี่ชนิดก็คือชนิดหนึ่งก็คือสวยกายและสวยใจชนิดที่สองก็คือสวยกายแต่ไม่สวยใจชนิดที่สามก็คือ สวยสวยใจแต่ไม่สวยกายและชนิดที่สไม่สวยทั้งใจและไม่สวยทั้งกายถ้าเปรียบกับดอกไม้ก็มีอยู่4ชนิดดอกไม้ที่สวยด้วยรูปและสวยด้วยหอมด้วยกลิ่นสวยได้กลิ่นก็คือมีกลิ่นหอมดอกไม้ที่สวยด้วยรูปแต่ไม่มีกลิ่นหอมดอกไม้ที่รูปไม่สวยแต่มีกลิ่นหอม และดอกไม้ที่ลูกก็ไม่สวยกลิ่นก็ไม่หอมเป็นอย่างนี้พอเราก็มีอยู่สประเภทความสวยงามของพวกเราก็มีอยู่4กลุ่มนี้ถ้าจะสวยงามก็ขอให้สวยทั้งกายและสวยทั้งใจเป็นเป็นความสวยงามที่เลิศที่สุดถ้าสวยได้ทั้งสองอย่างแต่ถ้าสวยกายไม่ได้ก็อย่าไปเสียเวลา เสียเงินเสียทองเสริมสวยให้มันเปล่าประโยชน์สู้อาเวลาเอาเงินเอาทองมาเสริมสวยทางด้านจิตใจดีกว่ามาเสียสละมาให้ทานมารักษาสิ่งมาอดทนอดกั้นกันจะดีกว่าแล้วเราจะเป็นผู้ที่มีความสวยงามชนะใจผู้อื่นด้วยความสวยงามทางใจไม่ได้ชนะกันด้วยความสวยงามทางกาย ขอให้ท่านจมได้นำสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้คือเรื่องของความสวยงามที่แท้จริงก็คือความสวยงามทางใจนี้ไปพินิจพิจารณาและไปเสริมให้เกิดขึ้นมาแก่ใจของท่านเถิดแล้วท่านจะมีแต่ความสุขและความเจริญโดย่ายเดียวการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา